ญาติยโยมเลยได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะมาเสริมเสริมมงคลให้แก่ชีวิตเพราะวัดนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับสถานีบริการที่รถยนต์จะต้องจอดแวะเพื่อเติมน้ำมันเติมน้ำเติมอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้นำพารถยนต์ ให้ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกอย่างสบายจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จําเป็นที่จะต้องมีน้ํามันไว้เติมอยู่เรื่อยๆเพื่อชีวิตของเราอย่างน่ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความเป็นสิริมงคลการมาวัดจึงเหมือนกับการมา เติมน้ำมันให้แก่จิตใจการมาวัดเป็นการกระทาที่เป็นมงคลเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าอเสวนาจะบาลานังบ an ัณฑิตานัจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังความหมายก็แปลว่าไม่ให้คบคนโง่ ให้คบคนฉลาดการครบคนโง่จะทําให้เราโง่ถ้าเราครบกับคนฉลาดก็จะทําให้เราฉลาดและความฉลาดนี้จะนํานพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าการมาวัดนี้ก็เป็นการเข้าหาบัณฑิตเข้าหาคนฉลาดคนฉลาดคือใคร ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวโกของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้เป็นคนฉลาดที่แท้จริงเพราะท่านเป็นคนที่มีความรู้ที่เอาตัวรอดได้ส่วนความรู้ทางโลกนั้นไม่ว่าจะสูงถึงระดับไหนก็ตาม จะระดับปริญญาตรีโทรหรือเอกก็ยังเป็นความรู้ที่ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดพ้นจากอะไรก็ไม่รอดพ้นจากความทุกข์ใจนี่เองต่อให้เรียนสูงขนาดไหนความรู้ทางโลกนี้จะไม่สามารถบำบัดกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ มีแต่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจความเดือดร้อนใจต่างๆให้หมดไปได้และผู้ที่ได้ค้นพบความรู้อันนี้คนแรกก็คือพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าทรงตัดสู้ก็ทรงรู้ความจริงความรู้ที่จะเอามาใช้ ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปพระ อ, องค์ทรงตัดสู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและทรงค้นพบต้นเหตุที่จะดับความทุกข์ว่าทำอย่างไรพระ อ, องค์จึงได้อยู่เหนือความทุกข์ไม่มีความทุกข์อยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์เลยหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจมีศรัทธาที่อยากจะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจผู้คนเหล่านั้นพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติเอาไปกำจัดความทุกข์ต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจได้กลายเป็นพระ อรหรันตสาวกขึ้นมาและเป็นผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่สืบทอดจากพระพุทธเจ้าต่อไปเพราะพระสรีละหลังสังขารร่างกายของพระพุทธเจ้ากับของพวกเราก็เหมือนกันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่แล้ว แต่ใจของพวกเรานี้ยังมีความทุกข์อยู่เราจึงต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำเอามาใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจของพวกเราให้หมดไปพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันธ์ทัปรณิภานแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระสาวก ที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแร่ต่อไปเพราะว่าพระธรรมคำสอนนี้ก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าดีๆนี่เองอย่างที่ทรงได้ตัดตอบคำถามว่าหลังจากที่พระองค์ได้จากพวกเราไปแล้วใครจะมาเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปพระองค์ทรงตัดว่า พระธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคำสอนนี่คือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อยู่ที่สรีละร่างกายสรีละร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับสรีละร่างกายของเราของพวกเรา มีอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีอวัยวะต่างๆเหมือนกันหมดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเหมือนกันตัวพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือใจและตัวที่จะแทนความจริงของใจของพพุทธเจ้าก็คือพ่อธรรมคำสอน ดังนั้นถ้าเราได้ศึกษาเช่นได้ฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าเราได้อยู่กับพระาศาสดาทรงตัดไว้ว่าถึงแม้จะอยู่ใกล้ชิดพระาศาสดาเกาะชายผ้าเหลืองแต่ถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็แบบเหมือนกับคนที่อยู่ห่างไกลหลายกิโละ ในทางตรงกันข้ามคนที่ถึงแม่ร่างกายจะอยู่ห่างไกลหลายร้อยกิโลแต่ถ้ามีการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นแหละถือว่าอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเพราะจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนดังนั้นพวกเราชาวพุทธจึงควรเข้าใกล้พระพุทธเจ้าด้วยการ ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าด้วยการเอาพระมาห้อยมาติดตัวเอาไว้เพราะพระพุทธรูปนั้นไม่ใช่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนถ้าเรามีพระธรรมคำสอนเราจะมีสาระมีที่พึ่งมีที่ปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของเราให้ปราศจาก ทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีพระไว้ห้อยคอพระห้อยคอนี้ป้องกันอะไรให้เราไม่ได้แม้แต่พระเองยังป้องกันตัวเองไม่ได้บางทีก็ถูกคนอื่นลักขโมยไปดังนั้นเราต้องให้ศึกษาให้เข้าใจให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราอยู่ที่ไหนกันแน่พระพุทธรูปนี้เป็นเพียงแต่ เขาเรียกว่าปูชนียสสิ่งที่ทาให้เราไหวส ก, าสการาบส o a d าบูชาให้เราลําลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้อยู่ที่พระธรรมคําสอนที่สอนให้พวกเราปฏิบัติดีกันปฏิบัติชอบกันเพราะเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาพวกเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้อยู่ที่พระธรรมคาสอนบัณฑิตที่แท้จริงอยู่ที่พระธรรมคาสอนไม่ได้อยู่ที่สลีละร่างกายถึงแม้เราจะเข้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าหรืออยู่ใกล้ชิดกับพระอาหารหันต์ แต่สาวกแต่ถ้าเราไม่สนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนการอยู่ใกล้ชิดนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นความรู้ที่เราสามารถน้อมนำเอามากำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ พระพุทธรูปนี้ไม่สามารถกำจัดได้พระอาหารหันตสาวกก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้กำจัดความทุกข์เองดังที่ทรงตัดสอนไว้เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนควาว่าที่พึ่งก็คือจะต้องเป็นผู้ศึกษาเพะธรทำคําสอน แล้วก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็จะไม่สามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้จะไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็ต้องกลับไปเกิดใหม่ แต่ถ้าได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและได้นําเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้สามารถทำใจให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกลับมาทุ ก, กข์ ก, ก, กับความตายอีกต่อไป จะอยู่ในสวรรค์ชั้นนิพพานที่มีแต่บรลมสุขเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราแสวงหากันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็พอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานี่คือความสุขที่พวกเราอยู่กัน อยู่กับความสุขที่เป็นเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลเป็นความสุขเคลือบความทุกข์เอาไว้เวลาได้พบกับความสุขใหม่ๆก็ดีอกดีใจพอความสุขนั้นจางหายไปก็เสีย อ, อกเสียใจเกิดความอยากที่จะต้องหาความสุขใหม่ก็ต้องดิ้นรนการดิ้นรนหาความสุขก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่ง การที่สูญเสียความสุขที่ได้มาก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งดังนั้นความสุขเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงต้องเป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีวันจืดไม่มีวันจางไม่มีวันหายไปจากจิตจากใจของพวกเราความสุขอันนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราน้อมเอา ขับสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติสิ่งที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติก็คือให้เราทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของเราไม่สะอาดเหมือนกับเสื้อผ้าที่สกปรกเสื้อผ้าสกปรกด้วยอะไรก็ด้วยฝุนด้วยเหงื่อใครด้วยสิ่งสกปรกต่าง เวลาที่เราจะต้องการให้เสื้อผ้าของเราสะอาดเราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องเอาไปซักซักน้ำซักด้วยผงซักฟอกซักไปแล้วเดี๋ยวเสื้อผ้าก็จะสะอาดขึ้นมาใจของพวกเราตอนนี้ยังมีสิ่งโสะกะปรกที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองมีความทุกข์มีความไม่สบายใจ สิ่งที่ทำให้เราเศร้าหมองไม่สบายใจท่านเรียกว่ากิเลสตัณหาหรือความอยากต่างๆอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์และเครื่องซักพอกใจก็คือการทาทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่เองถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีลอยู่เรื่อยๆภาวนาอยู่เรื่อยๆ ใจของเราก็จะสะอาดขึ้นมาตามลำดับจนสะอาดเต็มที่เต็มร้อยเรียกว่าเป็นใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็จะเป็นใจของพระอาหารหันต์ใจของพระพุทธเจ้าเพราะใจของพุทธเจ้ากับพงพวกเรานี่เหมือนกันต่างตรงที่ว่าใจของพระพุทธเจ้าได้รับการชำระแล้ว ใจของพวกเรายังไม่ได้รับการชำระเหมือนกับเสื้อผ้าสองตัวตัวหนึ่งที่ได้รับการซักให้ขาวสะอาดอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้รับการซักตัวไหนจะน่าใส่กว่าเวลาเราอยากใส่เสื้อผ้าเราจะหยิบตัวไหนถ้ามีตัวที่สกปรกกับตัวที่สะอาดเราก็จะเอาตัวที่สะอาดใส่เพราะใส่แล้วมีความสุขมีความสบาย แต่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่สกรปรกเราก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสบายมีแต่ความขยะกขยงนี่คือจิตใจที่สามารถพัฒนาจากปุถุชนให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระอริยบุคคลได้พระอริยเจ้าพระอริยบุคคลนี้ก็มาจากปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเป็นปุตุชนมาก่อนตอนที่มาประสูติมาเป็นพระราชโอรสนี้ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีติเลตตันหาเครื่องเศร้าหมองอยู่เพราะยังไม่ได้รับการชำระใจของพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ยังเป็นปุตุชนเหมือนใจของพวกเราอยู่แต่หลังจากที่ทรงได้พิจารณาเห็น ความทุกข์ที่มีอยู่ภายในพระใจที่พระองค์ไม่สามารถกำจัดได้โดยวิธีที่ใช้กันก็คือการหาความสุขต่างๆมาลบล้างความทุกข์ซึ่งเป็นการลบล้างได้เพียงชั่วคราวเวลาเรามีความทุกข์ใจเราไปทำอะไรที่ทำให้เรามีความสุขความทุกข์ใจนั้นก็หายไปชั่วคราว แล้วเดี๋ยวความทุกข์ใจนั้นก็จะกลับมาใหม่ต่อให้เราหาความสุขแบบไหนมามาช้าล้างก็จะไม่สามารถช้าล้างความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้พระพุทธเจ้าจึงต้องสละพระราชะสมบัติกาสรสละพระราชะสมบัติก็คือการทำทานมีข้าวของเงินทองอะไรต่างๆ ก็ยกให้คนอื่นหมดไม่ต้องการที่จะใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการบำบัดความทุกข์เพราะมันไม่ได้เป็นเครื่องมือบำบัดความทุกข์แต่เป็นเครื่องมือที่เสริมความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปจึงทรงสละพระราชสมบัติทำทานพอทำทานเสร็จแล้วก็ออกบวชออกบวชก็คือรักษาสิง ไม่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำบาปไม่กาไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็มุ่งไปสู่การชำระใจเพียงอย่างเดียวด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นวิธีที่จะทำลายกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ จนหมดไปพอหมดแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ตัสา ม, มาสัมพุทธเจ้าคําว่าพระอาหารหันต์นี้แปลว่าผู้ที่ผู้สิ้นกิเลสผู้ที่ไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจถ้าสามารถปฏิบัติใจชำรจใจให้หมดกิเลสได้ด้วยตนเองคือไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอน ศึกษาค้นคว้าหาวิธีด้วยตนเองผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์แบบนี้จึงมีพระนามว่าพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ที่ตัดสุบโดยชอบด้วยพระ อ, องค์เองส่วนผู้ที่มาศึกษาจากพระพุทธเจ้ามานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธ ท่านเหล่านี้จะไม่ได้เรียกตนเองว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะเรียกตนเองว่าพระอรหันตสาวกนะีคำว่าสาวกก็คือผู้ฟังผู้ศึกษาสาวกนี้ต้องมีอาจารย์ไม่สามารถที่จะเรียนจบได้ด้วยตนเองเหมือนพวกเราทุกคนนี้เราเป็นสาวกเราต้องไปโรงเรียนกันทุกคน ไม่มีใครที่สามารถจบปริญญาได้ด้วยตนเองเพราะความฉลาดของเรามีไม่มากพอคิดดูระหว่างเรากับพระพุทธเจ้านี้เหมือนกับฟ้ากับดินเลยมีพระพุทธเจ้าสรงสอนตนเองได้เป็นครูของตนเองได้แต่พวกเรานี้ไม่สามารถเป็นครูของเราเองได้เราจึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรา เช่นตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากกว่าเราที่จะสอนให้เรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้เชื่วเวลาที่เราทำอะไรผิดท่านก็จะต้องห้ามเราสอนเราเราเป็นผู้ที่มีความรู้น้อยกว่าเราก็ต้องเชื่อฟังถ้าเราดื้อ่อคคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ เราก็จะเจ็บตัวในภายหลังเ <Yeah. S 1> ช่นท่านสอนว่าอย่าแตะไฟฟ้านี้ <Yeah. S 1> แตแ่เราชอ็อตเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อเราไปแตะเดี๋ยวไฟชอ็อต <Yeah. S 1> เจ็บตัวนี <Yeah. S 1> ้ไม่ดีถึงแก่ความตาย <Yeah. S 1> เพราะว่าเราไม่รู้โทษของมันว่าจะเกิดขึ้นนุนแรงขนาดไหน <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราเชื่อคําสอนของผู้ใหญ่ <Yeah. S 1> เราก็จะปลอดภยัยชั้นใด การศึกษาพระธรําคำสอนก็แบบเดียวกันเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอาหารหันตสาวกที่สอนให้พวกเรามันทำทานมันรักษาศีลมันภาวนากันเพราะว่าถ้าเราทำได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ภายในใจของพวกเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะหมดไปได้ในที่สุด ไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้ที่จะมาสามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้มีความามีความรู้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นแม้แต่ชาวต่างประเทศที่อยู่ที่อยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาความรู้ต่างๆมีความรู้สามารถส่งจรวดดาวเทียมออกไปโคจร น, นอกโลกไปสำรวจ ดวงดาวต่างๆได้พวกเขาก็ยังเห็นว่าความรู้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเขาได้เขาจึงอุตสาห์เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่บ้านเราเพราะที่บ้านเรานี้มีสิ่งที่ประเทศเขาไม่มีก็มีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสถานที่ที่จะปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่มีผู้สนับสนุนให้ได้ปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาปัจจัยสี่ผู้ที่จะปฏิบัติให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ได้นี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติแบบมืออาชีพคือต้องทำตลอดเวลาไม่ใช่ทำแบบมือสมัครเล่น ทำเพียงแต่วันพระหรือทำเพียงแต่ตอนเช้าก่อนออกไปทำงานหรือตอนเย็นหลังจากกลับมาบ้านแล้วทำแบบนี้ยังไม่พอเพียงเพราะว่าสิ่งที่มีความโสโครกในใจนี้มันผลิตตัวเองขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราไปส่งเสริมมันด้วยการกระทำตามความอยากต่างๆทำตามความโลภทำความ ตามโกรธทำตามความหลงความโลภความโกรธความหลงความอยากมันจึงพอกพูนเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่เวลาเราชำระมนันนี่เราไม่ได้ชำระมันอยู่เรื่อยๆเราชำระมันเพียงบางเวลาตอนเช้าก่อนไปทำงานตอนเย็นหลังจากกลับมาทางานก่อนนอนรือ ว, วันพระเราก็ทำกันไม่ยังไม่พอเพียง ถ้าอยากจะชำระให้สะอาดบ่อยสุดนี้ต้องทำอย่างตลอดเวลาผู้ที่จะทำได้ตลอดเวลาก็ต้องเป็นนักบวชเพราะนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรเรื่องการหาข้าวของเงินทองปัจจัยสี่ก็มีศรัทธาญาติโยมยินดีสนับสนุนขอทำบุญทำทานเพื่อที่จะได้เป็นบันไดที่จะก้าวขึ้นสู่ การเป็นนักบวชต่อไปนี่แหละที่คือของดีของวิเศษที่เรามีอยู่ในประเทศของเราที่พวกเราไม่รู้กันพวกเรามาักอยากจะไปต่างประเทศกันอยากจะไปศึกษาเมืองนอกเมืองนากันแต่ไม่รู้ไม่ดูเลยว่าแล้วพวกฝรั่งที่เขาอยู่เมืองนอกเมืองนาทำไมเขาถึงมาบวชที่ประเทศไทยกันเพราะว่าเรามีของดีของวิเศษ ที่พวกเราไม่รู้กันเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเราได้บรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราจะไม่เราจะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถนำความสุขอันยิ่งใหญ่มาสู่ใจของพวกเราได้ก็คือปรามังสุขขังนี่แหละการคบบัณฑิตก็จะทำให้พวกเราได้สิ่งที่บัณฑิตได้กันบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านได้นิบบานังปรามังสุขขังกันท่านได้ความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระนิพพานบรมมาสุข พวกเราถ้าเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วศึกษาปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติและสอนให้ปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ปรมังสุขขังเช่นเดียวกันในขณะที่เรากำลังก้าวขึ้นไปสู่ปรมังสุขขังเราก็จะได้สุขตามลำดับของการปฏิบัติของเราเราก็จะได้ความสุขระดับของมนุษย์ได้ความสุขของเทวดา ได้ความสุขของผมขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขของพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆแล้วก็จะไปถึงพระนิพพานได้ในที่สุดนี่แหละเรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตจึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงเริ่มปีใหม่และทำปีใหม่นี้ให้เป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเราด้วยการศึกษาพระธรรมคาสอน